เทวทูตสูตรมีอยู่ครั้งหนึ่งแสดงธรรมพอดีพูดพากพิงถึงเรื่องบางอย่างก็เกี่ยวกับนรกบางอย่างก็เกี่ยวกับเปรตบางอย่างก็เกี่ยวกับสวรรค์โยมเขาก็ เ, าเตือนว่าท่านว่างั้นถ้าพูดไม่ดีมันก็เหมือนกับขายนรกขายสวรรค์นะว่างั้นเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่ออะไนะมันคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นก็ว่างั้น ทีนี้วันนี้ก็เลยเอาเอาสูตรเกี่ยวกับเรื่องนรกมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเอามาขู่อะไรนะเจตนาจริงไม่ได้คิดว่าจะเอามาขู่เพียงแต่ว่าให้เราได้มองชีวิตระยะยาวๆเราไม่ควรที่จะมองชีวิตแค่วันนี้พรุ่งนี้ปรือ น, นี้หรือว่ามองชีวิตกันอยู่แค่ชาตินี้ทําให้เรามองไกลขึ้นถ้าหากว่าเรามองชีวิต ในสังสารวัตรได้ไกลขนาดไหนเราก็จะเห็นคุณค่าของการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นจะเห็นคุณค่าของการเจริญสัมปชัญญะสี่จะเห็นคุณค่าของการเจริญอริยสัจสเป็นต้นถ้าหากว่าเรามองชีวิตสั้นๆเราก็จะเป็นคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปปล่อยให้ขณะเช้าผ่านไปขณะสายก็ผ่านไป ขณะบ่ายขณะค่ายามกลางคืนเราก็ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปจากนาวินาทีก็เป็นนาทีจากนาทีก็เป็นไล่ๆนาทีจากไล่ๆนาทีก็เป็นชั่วโมงจากไลยๆชั่วโมงก็เป็นกลางคืนและกลางวันจากกลางคืนกลางวันก็เป็นสัปดาห์จากไล่ๆสัปดาห์ก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นฤดู สามฤดูก็นับเป็นหนึ่งปีในรอบสิบปีเคาเรียกว่าทศวรรษนี่เราก็เปลี่ยนผ่านไป น, นะในทศวรรษเนี่ยนะห ล, ลายทศวรรษนี่ก็ล่วงเลยเป็นวัยชีวิตของหลายท่านก็ผ่านปฐมวัยมาแล้วนะก็เข้าสู่มัชิมวัยของอาตมาเนี่ยเข้าสู่มชิมวัยแต่หลายท่านนะเข้าสู่ปชิมวัยวัยสุดท้าย ันส่วนใหญ่ขณะวันเวลาเราก็ผ่านให้ล่วงเลยไปคือขณะวันเวลาที่ล่วงล่วงเลยไปนั้นเรานึกว่าไม่สูญเสียถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องกุศลอกุศลเนี่ยเราดูเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วละ่ะใช่ั้มสำหรับชาตินี้ถือว่าหลายท่านบอกว่าคุ้มค่าล ะ, ะคุ้มค่าหรือขาดทุนนี่ก็ไม่รู้เพราะว่า เราเดินทางมาเนี่ยนะบุญบาปมีไหมมีมันก็มีทั้งร่องรอยแห่งบุญและตราแห่งบาปที่ติดตามตัวเราไปนะเก็บเล็กผสมน้อยถ้าถ้าเรามองชีวิตของเราแกชาติเนี่ยนะประมวลชีวิตมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนมาถึงทุกวันเนี่ยสะสมมาก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่สะสมนี่ก็ เราเองไม่ปราถนาผลของมันเลยก็เหมือนกับพวกผู้ปลูกผ ล, ลไม้นะชาวสวนเนี่ยนะไอ้ที่ปลูกปลูกผ่านมาเนี่ยไม่อยากให้มันออกผลเลยอ่ะแต่ละพันธุ์แต่ละพันธุ์ที่ลงลงไปใช่ไหมลงอะไรบ้างนะที่ปลูกลงไปเนี่ยพันธุ์แต่ละอย่างนะมีหนามทั้งนั้นเลยลูกก็กินไม่ได้คันอีกต่างหากเช่นต้นน้ําเกลียงอ่าทางอีสานก็มีต้นไม้ต้นน้ําเกลียงมีลักษณะคล้ายมะม่วง คนแค่เดินผ่านเฉยๆนะถ้าคนแพ้เนี่ยนะจะออกเป็นตุ่มหมดเต็มเกือบเต็มตัวเลยจะมีน้ ำ, นำเหลืองไหลเลยเครียกว่าต้นน้ำเกลียงนนะคนที่แพ้จะเป็นอย่างนั้นหรือว่าบางคนเนี่ยพระองค์หนึ่งท่านไม่ได้ใส่รองเท้าท่านก็เดินตามท้องนาทาอะไรเนี่ยไปเหยียบไอ้ต้นน้ำเกลี้ยงเข้ามันก็บาดพอมันบาดเนี่ยเป็นแผลเป็นน้องอนนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ เพาะปลูกบุญเพาะปลูกบาปทางไหนบ้างโยมทางกายทางวาจาและทางใจทางก็เกิดมานับคําพูดได้ไหมยเยอะเนาะนักเฉลีย่ยเฉลีย่ยนี่คิดว่าประมาณวันละกี่คํานะวันหนึ่งก็พูดหลายคําเนาะนะถ้าของธรรมานี้พูดมากเลยนะั้วันหนึ่งผมไม่ไม่นับคําได้นับชั่วโมงแนละ แสดงว่าพูดมากเพราะคำพูดแต่ละคำของเราเนี่ยพูดด้วยยังไงก็ด้วยชาวนะจิตใช่ไหมชาวนะของผู้ที่เป็นปุตุชนนั้นก็เป็นไปกับกุศลและอกุศลนั่นแหละเจตนาที่เกิดร่วมกับชาวนะไม่ร้ายผลแ น, น, น่แต่ถ้าหากว่าเ จ, เจตนาในชาวนะเลยเนี่ยนะ สำหรับผู้ที่ให้เฉพาะชาติเดียวเท่านั้นคือชาตินี้เท่านั้นคือบุคคลนั้นต้องเป็นพระอาหา ร, รหันต์พระอรหันต์เนี่ยชาวนะของท่านเนี่ยนะหลังจากจุติไปแล้วเนี่ยชาวนะหรือเจตนาเหล่านั้นจะไม่ให้ผลอีกต่อไปชาวนะเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีผลแล้วแต่ว่าตราบใดที่ยังมีรูปนามขันห้าชาวนะในอดีตที่เคยสะสมไว้ก็ตามมาให้ผลใช่ เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังตามมาให้ผลบางครั้งก็ป่วยนะบางครั้งก็ไม่สบายกรรมเหล่านั้นที่ในอดีตก็ยังตามมาให้ผลแด่พระผู้มีพระภาคกรรมบางอย่างก็ยังตามมาให้ผลแก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นเป็นคนมีโรคลมนะแล้วก็พระอีกลายองค์ที่ป่วยทั้งทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันแล้วแล้วอีก บางคนเนี่ยนะคือถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีกประมาณเจชาตินะอากุศลวิบากสา ม, มารถที่จะให้ผลได้อีกเจชาติแต่ถ้าเป็นพระสกท า, าคามีก็ชาติสองชาติถ้าเป็นพระนาคามีเนี่ยอากุศลวิบากจะให้ผลได้น้อยเต็มทีเพราะท่านไปเกิดในพรมชั้นสุดท้าวาดส่วนปุตตูชนทั้งหลายไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรรับรองแม้แต่อย่างเดียวว่าเราจะสุขไปอีกสักกี่วันใช่ไหม จะมีให้อิ่มไปอีกกี่มือ้อเราก็ไม่รู้จะมีให้เห็นไปอีกกี่ครั้งรู้ไหมจะได้ใช้ตาของเราไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะใช้หูไปอีกกี่ครั้งนะคิดว่าจะได้ยินเสียงไปอีกกี่ครั้งนะคุณมัชนชะูหูเมื่อค่อดีเนาะเล่นงานเรื่อยอ่ะเนี่ยเป็นโทษของวัตตะ กันเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้หาความมั่นคงถาวรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเชื่อไม่ได้ครบไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าขันห้าเหมือนกับเพชรข้าดว่า ง, งั้นมันจองล้างจองผลานไม่รู้ว่าใครพลานใครกัไม่รู้เนาะแต่รู้ว่ากรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ควรประมาทในเรื่องกรรม ไม่ควรประมาทในกุศลอากุศลที่เป็นไปในชีวิตประจำวันนะแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือไม่ประมาไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทในทวารตาที่เราเห็นไม่ควรประมาทในทวารหูที่เราได้ยินไม่ควรประมาทในทวารจมูกที่เรารู้กลิ่นไม่ควรประมาทในทวารลิ้นที่เรารู้รส ไม่ควรประมาทในทาวารกายที่รับกระทบโพธภิภพไม่ควรประมาทในทาวารใจที่คิดนึกนะถ้าไม่ประมาทนี่เป็นอย่างไรอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาททางตาอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาททางหูเป็นต้ น, น, นก็คือถ้าตามองเห็นก็มีการพิจารณาหูได้ยินเสียงก็มีการพิจารณาคำว่าพิจารณาเป็นต้นเป็นชื่อของของอะไร เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเป็นชื่อของปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือปริญญาก็ได้นะไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการพิจารณาบ่อยๆด้วยอำนาจของปัญญาถ้าปัญญานี้ขึ้นต้นด้วยกรรมัสกตาปัญญาถ้าไม่พิเมื่อเห็นแล้วไม่พิจารณาเนี่ยนะจะมีโทษอย่างไรลองฟังเทวทูสูตรดูเนาะข้อความในมัชฌิมนิกายอุปริปันธา ข้อสี่หเอ้ยห้าว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินติกะเศรษฐีกรุงสาบถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรารเรียกพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพิกสูเหล่านั้นก็ทูลรับพระดํารัสแล้วช่วงอ่านต่อไปนะจะอ่านแบบค ล, ลาเคล้ากับ อัตถกถาด้วยเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมท่านอ่านอ่านยังไงเนี่ยว่งงานั้นเดี๋ยวต่อไปนะจะไม่อ่านตามพยัญชนะทั้งหมดก็คือแสดงว่าอ่านแบบอ่านแบบอธิบายเพราะว่าในอัตถกถาเนี่ยมีคําอธิบายอยู่ด้วยทีนี้จะเปิดสลับไปสลับมานั้นให้โยมเปิดตามเนี่ยเป็นการชักช้าซึ่งเราสา ม, มารถที่จะไปอ่านทบทวนได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือน สองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ในระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นเพิ่งเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างฉันใดใช่ไหมอ่าใครที่มีบ้านติดกัน่ะนะอ่าหน้าบ้านชนกันเลยอ่ะพอหน้าบ้านชนกันก็นั่งอยู่ตรงกลางใครเข้าใครออกใครมองไม่เห็นบ้างถ้าไปนั่งอยู่ตรงกลางนั้น ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแหลเราย่อมมองเห็นหมูสัตว์กำลังจุติจุติแปลว่าเงยเพ้ยนแปลว่าตายแล้วกำลังอุบัติแปลว่าปฏิสนธินะที่เลวก็คือพบที่ไม่ดีนะประณีตก็คือพบที่ดีมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามนะงามกับไม่งามนั่นเองได้ดีตกยากด้วยที่พระจักสุ อันบริสุทธ์ล่วงจากสุขของมนุษย์นั้นพระองค์เนี่ยมองเห็นเหมือนกับคนที่นั่งข้ามกลางหรือในหนึ่งก็เหมือนกับตำรวจจราจรใช่ไม้มรถไปทิศไหนทิศไหนก็นั่งมองเห็นเลยนั่นแหละนั้นพระองค์ก็ย่อมทราบชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายะสุจริตกายสุจริตมีกยานะ เอาแบบล่วงกุศลกรรมมบทก็คือสามอย่างก็คือมีศีลทางกายวจีสุจริตก็คือมีศีลทางวาจาประพฤติดีทางวาจามโนสุจริตก็คือคิดดีทางใจไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือมีความรู้ในกรรมเรื่องกรรมเป็นต้นนั้นะเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐนะิคือถ้าคนที่รู้จักกรรมดีแล้วก็จะมีหิริโอตปะ เมื่อมีฮิริโอตาปะก็จะเว้นจากกรรมชั่วประกอบกรรมดีเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีใช่ไหม วันหนึ่งเน่โอ้ <c oughs> มนุษย์ในโลกเน่ก็คลอดเจอะกันนะผลของกรรมดีนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมโรงพยาบาลแต่ละหลายโรงพยาบาเน่ก็เดี๋ยวก็มีกลุ้มเด็กออกมาละนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากผลของบุญเนาะพราะฉน ท, ที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเป็นร่องรอยแห่งบุญเป็นตราแห่งบุญแม้แต่เราเองก็เป็นตราของบุญเอาอีกไหมจากย้อนรอยหรือเปล่า นั่นแหละก็ให้รู้ว่าหน้าภูมิใจเหมือนกันเนาะเรานี่ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากนะเป็นผลของบุญเน่ยเกิดแสดงว่าชาติที่แล้วทํากรรมดีไว้แน่ <c oughs> ใช่ไหมเราก็ไม่ได้บาปบริสุทธ์อะไรเนาะทำกรรมดีเอ้หลายท่านก็ตระกูลสูงด้วยก็แสดงว่าบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยบางคนก็ฐานะดีก็แสดงว่าเป็นผู้มากในฐานบางคนก็มีผิวพรรณดีเป็นต้นก็แสดงว่าไม่ค่อยโกรธนะแสดงว่าทํากรรมมาตั้งหลายอย่างที่ดีๆ สัตผู้กําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายวาจีทุจริตมโนทุจริต ต, ติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐินะปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญคุณของพ่อแม่ปฏิเสธผีสางเทวดาทุกอย่างปฏิเสธแม้กระทั่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เมื่อปฏิเสธ บุญบาปปฏิเสธกรรมและผลของกรรมไปต้นก็พากันทําชั่วทางกายทําชั่วทางวาจาทําชั่วทางใจเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงปิติวิสัยก็มีปิตินี้หมายถึงเปรตนั่นแหละนะภาษาบาลีเขาแปลเพราะๆพราะไหนก็ปิตินะฟังก็ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยสะดุ้งนะก็คือเปรตนั่นแหละสัตว์ผู้กําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงกําเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีนะเดรัจฉานคือหมูหมากาไก่มดปลวกแมลงทั้งหลายนั่นแหละอ๋อแต่ที่บ้านผู้การเนี่ยนะคือที่บ้านไม่ใช้ยาใช่ไหมอ๋อหอยเนี่ยเยอะจริงๆเลยเดินนี่ยถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็กรับอู้ยนึกเลยนะคิดดูนะ ก็เหมือนกับถ้าเป็นพวกเราก็เหมือนกับสมมติว่ากระจกมันแตกแล้วมันบาดเต็มตัวหมดเลยอะแล้วหอยเนี่ยมันมีอะไรข้างในที่ไหนก็คือพอเหยียบเปลือกมันเข้าไปไมทีนี้ไอ้เปลือกมันก็จะไปแทงก็เหมือนกับคนกระจกแล้วบาดแตกโอ้แล้วก็ไม่มีหมอด้วยไม่มีหมอรักษาไม่มีอะไรสักอย่างยาทาก็ไม่มีใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะแก้ไขยังไง ถ้าหากว่าหอยนี่เราก็ฟังแล้วอมไม่ใช่เราแต่เราพ้นจากสภาพแบบนั้นหรื อ, อยังใช่ไหมก็บอกว่าหอยไม่ใช่เราแล้วเราพ้นอย่างนั้นหรื อ, อยังสัตว์อืะนะอ่นๆก็เหมือนกันเกิดเป็นเดรฉานเนี่ยไม่ยิ้มไม่ออกเลยเนาะแค่เห็นนี่ก็ยิ้มไม่ค่อยออกละนะเห็นแล้วก็สังเวชใจะนะสัตว์ผู้กําลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวัจจิธุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะ เป็นมิจฉาทิฐนะิเชื่อมั่นกรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือพวกอกิริยะทิฏฐิปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกก็มีอันนี้พระองค์เอาสัพพัญยุตยานของพระองค์นะมาตรวจสอบตรวจเช็กด้วยและพระผู้มีประภาคนั้นทรงได้อภิน ญ, ญาจิตหรือจุติและปฏิสนธิของสัตว์ น, นะเขาเรียกว่าใช้ อภิญยาจิตรประเภทจู่ตูปป า, ปาตายานด้วยกรรมมูปฆะายานด้วยพิจารณาเล็งเห็นสรพรพสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปนะก็คือจับสัตว์ที่ทําชั่วนะที่ไปป้วนเปี้ยนแถวนรกอ่ะไปแสดงแก่พญยายมว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้นี้ ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณนไม่ปฏิบัติชอบในพรามคือคำว่าสมณนพรามนั้นเป็นนิมิตของผู้มีศีลมีธรรมนั่นเองผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติชอบว่างั้นไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาจยาแก่บุรุษนั้นเถิดนะก็คือเขาชั่วสมควรที่จะลงโทษว่างั้นทีนี้คาว่านายนิเรบาลเนี่ย ก็เหมือนกับเหมือนยังไงเหมือนกับผู้คุมนรกนั่นแหละก็คือคนทำงานในนรกก็เหมือนกับคุกตารางก็เหมือนกับคนที่ทำงานในในห้องขังนั่นเองทีนี้คำว่าพยายมนี่ได้แก่ใครนะนายริยาบาลจับสัตว์นรกไปหาพยายมท่านท่านอะไรบ้านะพยายมก็คือพระราชาเวมานิกระเปิดนะเป็นเปรตชนิดหนึ่ง ในบรรดาเปรต12กำพ่วงนะที่ท่านเป็นพยายมเนี่ยเวลาหนึ่งท่านก็เสวยต้นกา ร, รพระเิกอุทยานทิพนักฟ้อนรำทิพสมบัติทิพวิมานทิพในเวลาหนึ่งก็เป็นพระราชาผู้ทรงทมเสวยผลกรรมแต่ไม่ใช่เวลาเดียวกันบางครั้งเนี่ยนะคล้ายๆกับบางเวลาก็ไปคอยทำงานตำแหน่งพยายม บางเวลาก็มามีความสุขนะเหมือนกับศาลนี่นแหละคล้ายๆศาลแต่ก็แต่นี่ไม่ใช่ศาลเพราะเป็นคนไม่ใช่เป็นคนตัดสินบุญบาปให้แต่เป็นคนที่ไปคอยถามถามว่าใครทำบุญมาบ้างอย่างเงี้ยทีนี้พญายมเนี่ยในนรกแต่ละคุมนั้นมีอยู่สี่ประตูด้วยกันอันในประตูแต่ละประตูก็มีพญายมอยู่คนหนึ่งนะอันนรกหนึ่งคุมก็เท่ากับพญายมสี่ท่านนรกนี่มีกี่ขุมร้อยกว่าุม่ ฟังไว้ก่อนนะไม่มีธุระก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเขาจับมาแล้วนะว่าเออพวกนี้เนี่ยเป็นคนชั่วว่างั้นเถอะทีนี้เขามีคำถามว่ า, าสัตว์ที่ที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ชนิดไหนว่างั้นก็คือสัตว์นรกที่จับไปนะก็คือสัตว์นรกที่ประเภทกรําชั่วไม่หนักมากเกินไป แต่ถ้าชั่วสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องผ่านตำนักพยายมนะก็เหมือนกับคนที่ถ้าผิดร้ายแรงจริงๆเนี่ยนะสารเนี่ยแทบไม่ต้องซักฟอกอะไรเลยเข้าคุกอย่างเดียวนะแต่ถ้าหากว่าโทษมันไม่มากนักก็นะก็มาค่อยแต่ฐานหาไต่ถามหาคุณงามความดีอ่ะมีดีอะไรบ้างพอที่จะให้ระลึกถึงความดีจะได้ปฏิสนธิในสวรรค์ได้พยายมไม่ใช่สั่งให้ไปเกิดในสวรรค์นะ แต่ให้สัตว์นั้น น, นเนี่ยระลึกถึงความดีของเขาอะ่ะเขาทำดีอะไรไว้บ้างเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมใช่ไหมไม่ใช่พญายามเสกให้นะอฉันจะเสกให้แกตกนรกฉันจะเป่าให้แกขึ้นสวรรค์นี่ไม่ใช่หนะ้าที่ของพญยายามทีนี้ปองก็ตัดต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพญายามจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไตถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกะสัตว์นั้นว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูต ท, ที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าพ้อง น, นเทวทูตก็คือเป็นโทษของเทวดานั่นแหละาบงั้นพญายมก็ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเด็กแด ง, แดงนอนเรียกว่านอนแบเบา เปื่อนโมดเปื้อนคูดเปื่อนอุจจาระของตนในหมู่มนุษย์รือเคยเห็นเด็ก น, น้อยไมั่สัตว์นั้นก็ทูลว่าเห็นเจ้าข่าฟัางงั้นพญายมก็ถามมาดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและ ทาใจก็คือเรายังเกิดนะนะมีความดีอะไรที่จะต้องทําอีกมั่งหรือว่าตอนเห็นเด็กเกิดเนี่ไม่คิดอย่างเงี้โอ้ได้หล้านละคิดตรงเข้ามันหมดเลยมั้ยไมได้นึกถึงเราเลยนะไม่เหงาแล้วต่อไปเราได้ลูกได้ ล, ล้านละสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้านะมัวแต่เพลินนะ่ะประมาทก็คือเพลิดเพลินในกามาคุณห้านั่นแหละ พยาลมก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเพราะฉะนั้นเหล่านายนิรยบาลเนี่ยจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปประกรรมนั่นแหละไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่ชายน้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอัมมาตทําให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้นั้นท่านเท่านั้นจกักเสวยวิบากของกรรมนั้นเังนี้ก็คือเพราะกรรมเหล่านี้เนี่ยนะพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรอมตไม่มีใครทำให้ท่านสักคนเลยอะ่ะแต่ท่านทำกรรมใช่ไหมทั้งๆ ท, งที่เทวทูตที่หนึ่งก็ไปเตือนท่านแล้วอ่าเขาเตือนวอ่ายังไง ก็บอกว่าปธมังเทวทูดังสมณุยุนชิตวะความว่ากุมานุมย่อมกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความว่าผู้เจริญจงดูเราอะไรเง้นเด็กเขาเหมือนกับเด็กเขาบอกเราอะนะว่าผู้เจริญดูเราแม้เราก็มีมือและเท้าเหมือนพวกท่านแต่เราเกลือกกล้วอยู่ในมูดและคูดของตนจมอยู่ในอุจจาระปัสาวะไม่อาจเพื่อจะลุกขึ้นอาบน้ำตามธรรมดาของตนได้ เราเป็นผู้มีกายสกปรกแล้วก็ไม่อาจเพื่อจะบอกว่าอาบน้ำให้เราเรานิเชื่อว่าเป็นเช่นนี้เพราะไม่พ้นจากความเกิดแต่ก็ไม่ใช่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นจากความเกิดกลายก็เด็กกระถามว่าท่านพ้นแบบข้าพเจ้าหรือ ย, ยังเหมือนกันความเกิดจากมาถึงแม้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราเพราะฉะนั้นท่านจงทาความดีไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดนั้นด้วยประการชนี เพราะเหตุนั้นกุมารหนุ่มนั้นจึงชื่อว่าเทวทูตเด็กเขาก็เตือนเราอะนะคล้ายๆก็บอกเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็คล้ายๆท่านนั่นแหละว่า ง, งาั้นเพราะฉะนั้นท่านอีกท่านอ่ะจะต้องเกิดอีกนะเมื่อท่านจะต้องเกิดเนี่ยท่านเตรียมสเสบียงอะไรมาหรือยังว่า ง, งาั้นท่านทําคุณงามความดีทําบุญกุศลอะไรบ้างหรือยังอันนี้ี่ก็เทวทูต ท, ที่หนึ่งเตือนแต่ว่าสัตว์นรกเหล่านี้ก็จําไม่ได้เรียกว่าเห็นแต่ก็คิด ดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดไรไม่ออกสักอย่างเลยนะก็เลยทำแต่ความชั่วไป